มีบ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นพอฉันเสร็จแล้วล้างบาทล้างอะไรแล้วนําบริการไปดังที่เราปฏิบัติอยู่นี้โกงท่านเองเขาไปกุติก่พักเพราะตอนหลังนี้ท่านแก่แล้วท่านไม่ค่อยดื่มยังกมหลังจังหันแล้วมันนานจะมีทีหนึง่งแต่ตอนบ่ายมักจะมีอยู่เสมอ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 เข้าป่าเข้าทางยังกรมของใครอยู่ที่ไหนก็เข้าพระมีจํานวนมากๆปรหนึ่งว่าไม่มีพระในวัดเลยเงียบไปหมดนี่ก็เช่นเดียวกับต <c oughs> ั้งพุท ธ, ธาการที่ท่านบําเพ็ญเป็นอย่างนั้นในตํำรับํารามีมากต่อมากอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจรึงหนึ่ง น, นำมาพูดมาแสดงให้เพื่อนฝูงทั้งหลาย ได้เห็นได้ยินได้ฟังบางท่านอาจจะไม่ได้ดูไม่ได้เห็นก็ได้ท่านนี้มีจมนวนมากมายเท่าไหร่เปนหนึ่งว่าไม่มีพระในวัดเลยจนถึงเกเขากับเข้าใจผิดว่าพระเ น, นในวัดนี้ทะเลาะกันเงียบไปหมดทั้งวัดถ้ามาเจอพระก็เข่งขึงไม่เห็นพู้ฉันคุยกันเลก็ทำให้เขาเข้าใจผิดไปว่าพระทะเลาะกัน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 ดังที่ประชุมเ น, นหลายวันประชุมทีนแต่ถ้ามีแต่พระเนนอยู่ในนั้นไม่น่าประชุมท่านไม่ประชุมทํามีพระไปเที่ยวมาอย่างนั้นท่านมัจกจะประชุมผูธม้ธรรมมีปฏิบัทาของท่านท่านหนักแน่นทางด้านปฏิบัติ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 การเทศนาว่าการการเกี่ยวข้องกับประชาชนญาติโยมหรือใครต่อใครเหล่านี้เป็นภาระเป็นงานทั้งนั้นก็ทำให้อนุขยัยนั้นย่นเข้ามาเพราะเลยความพอดีความพอดีอย่างแท้จริงของท่านผู้สิ้นี่เดศแล้วและมีขันที่แต่ชลาลงไปแล้วความอยู่เพียงคนเดียวตามอัจฉริยสัยของท่านนั่นแหละ เป็นสิ่งที่เหมาะที่สุดทรงทาาทรงขันไปด้วยความพอเหมาะพอดีส่วนหนุ่ม อ, อยู่ก็เป็นอีกอย่างหนึงเพราะผู้ที่มีจิตถึงขนาดนั้นแล้วกับความเมตตาย่อมแยกกันไม่ออกแต่แม้เวลาประกอบความภาคเกลียนก็หนึ่งว่าไม่มองดูโลกดูตรองสามไม่มองดูอะไรเลยเหมือนกับในโลกนี้มีแต่เรากับยิ่งเละ ต, ต่อสู้หรือฟัด ก, กันอยู่เท่านั้น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 ตัวนี้ก่อนเป็นไปตามนิสัยวาสนาของท่านผู้ใดที่จยควรแนะนำสั่งสอนได้กว้างแคบเพียงไรก็ตามมาแต่อาศัยของท่านเพราะจิตขันนั้นแล้วย่อมไม่มีผาดมีผลโดยหาเหตุหาผลไม่ได้เป็นไปตามความเหมาะสมพอดิบพอดีจะเข้มจะคนจะผาด จ, จะผลจะเพ็ดจะร้อนก็เป็นไปตามเหตุตามผลที่พอเหมาะพอดีในเวลานั้นเท่านั้น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 สิงพูดได้อย่างเต็มตามความจริงทุกสิ่งทุกอย่างผู้ที่มีความหวังต่อความจริงอยู่แล้วอย่างเต็มหัวใจทำไมจะรับกันไม่ได้ทำไมจะเข้ากันไม่ได้กับความจริงที่ท่านแนะนำการสอนเช่นประเภทที่ว่าอุคติตันยูวิปจิตันยูประเภทนี้เป็นประเภทที่บกเยียนหาที่ออกอยู่แล้วอย่าง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 ท่านสอนเอานี้นะงานนี่ในสถานที่ทํางานนี้คือสถานที่เพี้ยนไหลก็บอกอีกลุกโมโรเจนัสหนังนี้เป็นอันดับหนึ่งถ้าจะพูดถึงวัตถาคตเอามาเป็นเครื่องบินยันก็วัตถาคตเคยอยู่สถานที่ทีนี้มาแล้วตรัสรู้ก็ตรัสรู้ในร่มไม้ร่มโพ ร, ร่มเดียวปรากฏว่ามีที่บุงที่บังที่ไหนไม่มีอืมตรัสรู้ที่โคนต้นมหาโพธิ์อย่งเดียวนึ่งเท่านานนั่น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 ถ้าเราไม่สู้ไม่รบมันยังไงก็ต้องแพ้มันมันยังคํำหาอัธธรรมที่จะมาปรากฏในจิตใจไม่มีเลยนะมันอยากอะไรเนี่ยอยากเห็นก็ตาออกทังตานี่กับความอยากออกมาจากใจอืมนี่เรียกตันหานตันหาแปลว่าความหิวความหยมันไม่มีวันพอไม่แต่ไม่ใช่จะจะพูดแต่วราคะตันหานะตันหากันเป็นกลางกลางคือความ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 แล้วจากนั้นแล้วมันก็สงบตัวลงไปนี่สมาธิ ต, ตีหัวมันลงไปปัญญานัหน่ะช่วยพิจารณาสงบตัวลงไปจากนั้นคลี่คลายดูอ่ามันติดอะไรมันทัวพันอะไรในสิ่งเหล่านี้เพราะเป็นสถานที่อยู่ของกิเลสทั้งนั้นมันซึงมันซาบไปหมดทั่วสารพานางกายนอกจากนั้นยังระบาดสากกระจายไปทั่วโลกดินแดนมันอยากเกี่ยวมันเกี่ยวโยงไปหมดนั่นแหะ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 ในกาบันขี่ต้มขี่โคนมะขอนี่พ่านกว่ากาบันขี้ต้มขี่โคนไม่ใช่ของดีพงดีไปซแล้วพราะกิเลสมันไปพอ่อไว้หมดแล้วเปิดออกเปิดดอกนี่สิเปิดออกเปิดออปด อ, อกเมื่อทีต่ต้มขี่โคนนี้มันกระจายประกระจายไปมันก็เห็นทองตั้งแท่งแล้วสิของประเสริฐอะไรในแดนสามสามแดนโลกฐานนี้อะไรจะเหมือนกิจที่บริสุทธิ์นี่ไ ม, มมนไม่มีเหมือนไม่มีอะไรเหมือนไม่เหมือนอะไรท่านเรียกว่าโลคุตุลธรรมธรรมที่สุดยอดจริงๆก็คือโลคุต